ศึกษาศึกษาต่อ น, นะในการศึกษาในจิตตานุปัสนาที่บอกว่าจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะจิตก็ในที่จริงก็คือว่าตรงนี้อยากจะยกใน สูตรโดยเฉพาะในมหาตัณหาสังคยาสูตรในหน้าที่สิบหกี่เปิดไปเนี่ยเอาสูตรนี้มาขยายก่อนการศึกษาธรรมะก็เป็นอย่างเงี้ยก็คิดไปคิดมาไปเรื่อยเลยแต่นในมหาตัณหาสังคยาสูตรในข้อที่สี่0้อยี่สิบ ถ้าพระเจ้าได้สรบมาแล้วอย่างนี้ <c oughs> สมัยหนึ่งพระคู่มีพระภาพเจ้าประทับอยู่ที่วิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาตินิกาเสถีใกล้กรุงสาวถีครั้งนั้นภิกษุชื่อสาติผู้เพวัดบุตรท่าแปลว่าอะไรเป็นบุตรของยาวบางมง มีทิฏฐิอัลลามกเห็นตอนนี้เกิดขึ้นว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าวิญญาณ น, นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวแล่นไปไม่ใช่อื่นคือท่านพิสุสาติผู้เกวัตตบุตรเนี่ยท่านเกวัตตบุตรเนี่ยท่านมีความเข้าใจว่าวิญญาณเนี่ย ท่องเที่ยวแล้วก็แล้งไปสิ่งที่เราศึกษากันในจิตอานุปัตนาเนี่ยก็คือต้องอย่าลืมเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นก็คือว่าถ้าการเจริญกายานุปัตนาวัตถุประสงค์เพื่อยะละตัณหาใช่ไหมคือตัณหาจฉลี่เนี่ยท่านแบ่งเป็นสองอย่างเป็นตัณหาเฉลี่อย่างแก่แล้วก็อย่างอ่อนคนตัณหาเฉลี่อย่างแก่นี่ก็เจริญกายานุปัสนา จนตนหาจิตอย่างอ่อนก็จเจริญปเวทนาโนตสนาส่วนทิฏฐิจริตนี่ยเขาก็แบ่งเป็นสองเป็นทิฏฐิจริตอย่างแก่แล้วก็อย่างอ่อนทิฏฐิจิตอย่างแก่ก็จเจริญจิต า, านุปัสสนาอย่างอ่อนก็จเจริญธรรมานุปัสสนาแค่นั้นว่าถูประสงค์ในการจเจริญจิต า, านุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่อจะละอะไรละทิฏฐิละทิฏฐิ ไอคนที่มีทิฏฐีเนี่ยลักษณะของคนที่มีทิฏฐินั้นเป็นเช่นไรถ้าเราคนในปัจจุบันนี้เขาเรียกคนที่เชื่อมัน่นโดยเองถูกใช่ไหมคนประกาศทิฏฐิส้นเดงก็คือคนที่เชื่อมันอ่นโดยยังเชื่อมั่นความคิดของต้นเด้งเชื่อมั่นความคิดแล้วก็คิดว่าความคิดของต้นเดงนั่น แ, แหละถูกบ้างความคิดของคนอื่นในผิด ใครที่มีความคิดสอบท้องมาตนนัเองก็เชื่อว ค, ความคิดของตนนั้นใช้ได้อย่างนี้เป็นต้นลักษณะอย่างนี้คือกลุ่มทิฏฐิเจริญแต่ทิฏฐิสีเจริญเนี่ยทคือคนที่มีทิฏฐิเจริญค่อนข้างเป็นไปลักษาไหนอย่างเนี้เบื้องต้นก็คือเจริญเนี่ยวิธีแก่ก็ต้องเจริญจิตตาที่ปัิศนาเลยทีนี้ในมหาตังหาสังกยาสูตรเนี่ยท่านเกวัตกระบุตรเนี่ย ถ้ามีความเห็นว่าวิญญาณนั่นแหละย่อมท่องเที่ยวเล่นไปไม่ใช่สิ่งอื่นพิโตม่าด้วยกันได้ฟังแล้วเนี่ยนะได้ฟังว่าพิโตสาตีผู้เวกเยวัตบุตรเนี่ยมีทิฏฐิอลามกเห็นตานี้ฟางเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิอลามกก็คือทิฏฐิที่ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้จะเป็นมิจฉาทิฏฐิแท้เกิดขึ้นว่าเรารู้เมื่อถึงคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงว่า วิญญาณนั่นแหละย่อมท่องเที่ยวแล่นไปไม่ใช่อื่นก็เข้าไปหาภิกษุแล้วก็ถามว่าดูก่อรท่านสาธีได้ยินว่าท่านมีทิฏฐอ阿ามกถึงตอนี้เกิดขึ้นว่าเราย่อมรู้ทั่วทำตามที่พระบรมศาสดาทรงแสดงว่าวิญญาณนั่นแหละย่อมท่องเที่ยวแล่นไปไม่ใช่สิ่งอื่นดังนี้จริงหรือเธอก็ตอบว่าดูก่อนท่านผูเมีอายุทั้งหลาย พระพุทเจ้าย่อมรู้ว่าถึงทำที่พระผูม้มีภาพทรงแสดงว่าวิญญาณนั่นแหละย่อมท่องเที่ยวแน่นไปไม่ใช่สิ่งอื่นดังนี้จริงความเห็นถ้าไม่สอดคล้องกับพระไตรปิฎกไม่สอดคล้องกับพระพุทธเจ้าลักษณะอย่างเนี้ยในยุค ก, ก่อนพิสูุเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพากลุ่มเมื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นในกระแสขันของภิกษุรูปใดอุบาสก อ, อุบาติกาแล้วก็ภิกษุณีท่านใดเนี่ยเขาต้องรีบแก้ไขเลยเบื้องต้นเลยเขายังไม่รีบไปเป้าพระพุทธเจ้าเราเขาต้องรีบไปชี้แจง่อนว่าเป้าเห็นของท่านเนี่ยผิดแล้วก็ไปบอกแต่ถ้าท่านเหล่านั้นยังยืนยันอยู่ใช่ไหมก็จะต้องมีการไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะต้องมีการเรียกตัวกับแลกงานอย่างนี้เป็นต้น แต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเจ้าประลพนาแล้วไม่ใช่เหมือนเรียนนะปัจจัอย่างดเนีเยวให้เวลามีคนที่กล่าวพระธรรมคำสอนแล้วไม่ค่อยสอดคล้องกันมาก็ไม่รู้จะไปบอกใครแล้วเอรักมากระ แต่ก่อนอาตมาร์คิดอย่างนี้นคิดอยู่สี่ปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นใ ไ, ไมโมงแต่ก่อนแต่ก่อนเวลาศาึกษาครอบสอนเก็อดคิดไม่ได้นะเออประเทศไทยเราเนี่ยน่าจะมีภาพทีทรงทรงคนรู้รอบรู้แล้วก็ตั้งเป็นทีมขึ้นมาอย่างนี้นะ แล้วก็มีใครถ้าคำมีใครกล่าวค ำ, าคำสอนที่ผิดพลาดก็มีการเรียกไปซักซ้อมเลยใช่ไหมตรวจสอบถ้ามันผิดขึ้นมาก็ให้แก้ไขถ้าแก้ไม่ได้ก็มีบทลงโทษแล้วก็ว่ากัแบบนไปเนี้ยนี่ขึ้นมาสีปียเฮ้อะไรอย่างเงี้ยเธอตอบว่า ดูก่อนท่านภูมีอายุข้าพเจ้าย่อมรู้รว้ถึงนี้เป็นต้นแล้วก็พิสูจนเรื่อนั้นปรารถนาจะปวดเครื่องพิสูจสาตีผู้เเกวผู้เกวันกระบุจากที่ขีนนั้นจึงซักไซไล่เรียนสอบสวนว่าดูก่อนท่านสาตีท่านอยากกล่าวอย่างนี้ท่านอยากกล่าวตู่พระภูมิเอภาพการกล่าวตู่เพระภูมิยอภาพย่าไม่ดีเลย เพาะพะผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยดูก่รทัณฑสติวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตว์แล้วโดยปริยายเป็นอเนึ่งความเกิดขึ้นหนึ่งวานเว้นจากปัจจัยนี่เลยนี่คืออย่างนี้นะว่าพราะผูดถึงวิญญาณพูดถึงในเรื่องของจิตเนี่ยจะไปพูดเกิดขึ้นลอยลอยไม่ได้โดยไม่กล่าวถึงปัจจัยของจิตใช่ไหม จะกล่าวถึงจักรวิญญาณโสตวิญญาณาาวิญญาณชิวหาวิญญาณกา ย, ยาวิญญาณหรือมโนวิญญาณหรือจะกล่าวจิต ด, ดวงไหนได้แต่โลภะจิต ด, ดวงแรกยันโลภุตระจิต ด, ดวงสุดท้ายไงนะจิตทุกดวงนั้นจะกล่ า, าวเฉพาะจิตอย่างเดียวไม่ได้จะบอกว่าจิตนั้นเกิดขึ้น แล้วก็อย่างที่บอกว่าแล้งไปอย่างนี้เป็นต้นเนี้ยมีความเข้าใจไม่ได้เพราะคาสอนของพระเจ้าเนี่เวลากล่าวถึงวิญญาณเป็นต้นก็จะต้องสาวหาปัจจัยของวิญญาณนั้นว่าอะไรเป็นปิติใจเป็นปัจจัยของวิญญาณเป็นต้นฉะนั้นท่านบอกว่าความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเว้นปัจจัยไม่ได้อย่ทีใช่ไหมว่าเออวิญญาณจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีปัจจัยนะท้านได้ตามหลักของปฏิจจารเนี่ยนามรู้ปกิเลยปัจจัยของวิญญาณนีอะไรวะ สังขารแลปัจจยาวิญญาณังว <iso> e ิญญาณปัจจยานามรูปังวิเงต้นนี้ไหมนามรูปเป็นปัจจัยแก่วิญญาณก็ได้วิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปอย่างนี้เป็นต้นก็ได้หรือสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณก็ได้อวิชาเป็นปัจจัยแก่วิญญาณก็ได้กรรมเป็นปัจจัยแก่วิญญาณตัณหาเป็นปัจจัยแก่วิญญาณอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมก็ร้อนแต่ว่าจะเอาปัจจัยอะไรอย่างนี้เป็นต้น ใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นปัจจัยแก้วิญญาณได้รูปก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณอย่างนี้ได้แต่ก็ต้องไปดูว่าเป็นไปในลักษณะไหนอย่างไรอันนั้นจะต้องไปตรวจสอบดูในรายละเอียดจะครับผมบอกว่าเว้นจากปัจจัยนะไม่ได้วิญญาณมันจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้ต้องมีปจัจจัยใช่มถ้าการศึกษาเรื่องของวิญญาณก็ต้องศึกษาปัจจัยของวิญญาณ พิสูจนู่เกวัตบุตรอันพิสูจนั้นตับไซไล่เลี่ยงสอบสวนอยู่อย่างนี้สแสดงว่าการสอบสวนก็สอบสวนมากกว่เนี้นี่ก็ยึดมัน่นทิฏฐิอ ล, ลาโกนั้นถูนแลกและกล่าวอยู่ว่ารู้ก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพระเจ้าย่อมรู้โทษถึงตามที่พระผู้มีพระภาพทรงสแสดงว่าวิญญาณนั่นแหละย่อมท่องเที่ยวไ่นไปไม่ใช่ดังนี้ เมื่อพิสูจน์เรานั้นไม่อาจจะปลดเครื่องสาติพิสูจนผู้เกวัตบุตรจากพิธีอลาโมงนั้นได้ยิ่งเข้าไปเป้ากับผู้มีพระภาคเจ้าถวายพิว่าแล้วก็นั่งหน้าพิส่วนที่ควรส่วนขั้นหนึ่งแล้วก็เด็ดถูลว่าข้าแต่พระองค์คุณจเจริญสาติพิสูจนีมีพิธีอลาโมงเห็นตาม น, นี้เกิดขึ้นมาว่า เราย่อมรู้โทษถึงธร ร, ร, รรมที่พระพรทมศาสกดาทรงแสดงว่าวิญ ญ, ญาณนั่นแหละย่อมต้องเที่ยวเล่นไปไม่ใช่สิ่งอื่นทั้งนั้นพวกข้าพระองค์ก็เข้าไปหาสาธิติสุแล้วก็ถามว่ารู้ก่อนท่านสาธิได้ยินว่าถ้ามีทิฏฐิอาราพวคเห็นตา น, นี้เกิดขึ้นว่าเราย่อมรู้โทษถึงธรรมของพรวกมีตภาพเจ้าทรงแสดงว่าวิญ ญ, ญาณนัาารร่นแหละย่อมต้องเที่ยวเล่นไป มิใช่สิ่งืนดังนี้จริงหรือเมื่อข้าพเจ้าเข้าไปถามอานิสาติพิสุก็ได้บอกพวกข้าพเจ้าว่าดูกรพิสุทั้งหลายข้าพเจ้าย่อมรู้รดอดถึงธรรมที่พระพุทธพระพาข้าเจ้าทรงสแสดงว่าวิญญาณนั่นแหละย่อมท่องเที่ยวแดนไปมิใช่ดืนดังนี้นจริงในลำดับนั้นข้าพระองค์ปราถนาจะกทเรื่องสาติพิสุจากพิถีอาลาโมกัดสักไซไลเรียนสอบสวนว่าดูกรสาติพิสุท่านจะได้กล่าวอย่างนี้ท่านจะกล่าวถู ก, พ, กพระพะูทมีพภาพ ตามกล่าวถูก่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีเลยพอพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นดูก่อนสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยอนเนกปริยายนะความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาติพิสุอันพวกข้าพระองค์สสตัดไซได้เรียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิอันดุนแรงอย่างรามกเนี่นะแล้วก็กล่าวว่าดูกรพิส ผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าย่อมรู้พั่วถึงธํามที่พระผู้มีพระภาพเจ้าแสดงว่าวิญญาณนั่นแหละย่อมท่องเที่ยวแ่นไปที่ใช่ที่ผืนดังนี้จริงข้าพเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพวกข้าพระองค์ไม่อาจจะปลดเปื้องสาธิตพิสุออกจากทิฏฐิอลามมจึงมากราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาพทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรีย่ยพิสุรูปหนึ่งมาแล้วก็ตรัสสั่งบอกว่าเธอจงมา จงเรียกาสาธิตพิสูุผู้เกวัตบุตรตามคำของเราว่าดูก่อนสาธิพระศาสดารับสั่งให้หาท่านพิสูตนั้นกระทุนรับพระผู้มีประภาคเจ้าแล้วมันเข้าไปหาสาธิตพิสูุแล้วก็บอกว่าดูก่อนท่านสาธิพระศาสดารับสั่งใหหาท่านภูติเจ้าเรียกพบเนี่ยสาธิตพิสูตรับคำของพิสูตแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาพ ถึงที่ไปทับถวายอภิวาสแล้วนั่งไม่ดีควรส่วนกนันอีกพระผู้มีพระภาพก็ตรัสถามว่าดูก่อนจาปีนได้ยินมาว่าเธอมีทิฏฐิอัลล า, ามกเหเาตุการณ์นี้พระเจ้าถามทานทีนะเมืเอได้ยินว่ า, า, าวเห็นมีทิฏฐิอัลลามกเนี่ยเกิดขึ้นว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงทำตามที่พระผู้มีพระภาพเจ้าทรงสแสดงเอาวิญญาณ น, นั่นแหละย่อมเล่นไปท่องเที่ยวไปไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะ สาธิตพิสูุก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงทำตามที่พระผู้มีพระภาพทรงแสดง ว, ว่าวิญญาณ น, นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวเล่นไปไม่ใช่สิ่งนั้นพระพุทธเจ้าประตรับถามมาดูกองสาธิตวิญญาณ น, นั้นเป็นอย่างไรถามมันดีเยอะสาธิตพิสูจนก็บอกว่าสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้ย่อมสวยวิบากของกรับทั้งหลายทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่วในที่นั้นนั้นเป็นวิญญาณ นี่คืออะไรเจ้าอธิบายหน่อยเวียนญาติพูดได้นเะพื่อความเข้าใจความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของจิตอย่างยกตัวอย่างเช่นนะจิตที่ทํากรรมก็เป็นจิตอีกอย่างหนึ่งเจ้จิตที่ไปรับผลกรรมก็เป็นจิตอีกอย่างหนึ่ง เธอหน้าหาวไปบอกว่าอีกคนหนึ่งทำกรรมอีกคนหนึ่งเล่าผลสมสมมติเราจะอธิบายยากตรงที่บอกว่าใครทำคนนั้นก็ได้อยากยกตัวอย่างนะสมมุติว่ามนุษย์ทำชั่วแต่ศัตร์ในโลกไปพูดเล่าผลใช่ไ่าถ้ามีความเหลีอยนนี่นี่น่นกลัวมใช่ไหม เออมนุษย์ทําดีแต่เทวดารับผลเอาอย่างยอตัอย่างนะอย่างที่อธิบายเรื่องโมหะโอ้ยทากรรมมากเกี่ยวในเรื่องของโมหะไว้ยเยอะโมหะส่งผลนํากติจนที่เป็นสัตว์นิราาันดร์ตอนทํากรรมเราเป็นมนุษย์แต่คนที่ไป็ ร, าารับเนี่ยผิวสัตว์นิรันดร์เขาหน้าทกเม์มเนี่ย ไม่เห็นต้องทุกเลยแต่เวล า, าอยาจะอาเนื้อหาไปราไม่ใช่มนันนษนไปรับเนี่ยก็คิดอย่างนี้ได้ไหมเราจะคิดยังไงถึงจะถูกคิดยังไงถึงจะมองหน้าเลยเราจะคิดยังไงคื อ, คอสภาวะที่สื่อต่อเนี่ยเนะมันเหมือนอย่างว่ามเมล็ดผละไม้ที่เราปลูกการที่เราได้กินโดนก็ละโลกกันนลยแต่มันสื่อเนื่องวาเด็กรุ่งนะ ถ้่เราถ้าเราไปรับลูกมะม่วงต้นลูกหนึ่งเราก็บอกว่าเราไม่ได้รัลบนะลูกของท่านโบงนะลูกของท่านโบงอยู่ในดินนั่ไอ้ที่ขึ้นมาเนี่มันของใครกันไม่รูกมันเป็นเราพบเราไม่ควรมีความผิดได้ไหมถ้าผู้มีบาราคเจ้าพระตรัสว่าดูก่อนโมฆะโบรุกเธอรู้ทำนี้ที่เราสแสดงแก่ไครเล่า ดูกโมคฆะบุรุษวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมเกิดขึ้นเรากล่าวโดยปริยายเป็ น, นเหตุไม่ใช่ผ้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยนี้ได้ดีดูก่อนโมคฆะบุรุษก็เมื่อเป็นดังนี้เธอกล่าวตู่เราด้วยขุดตนเรด้วยจะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นเหตุมากด้วยเพราะทิฏฐิตนถึงช่วยแล้วดูก่อนโมูฆะบุรุษก็ความเห็นนั่นของเธอจะเป็นไปเพื่อโทษไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อทุกสอดกาลนอง ความเห็นใน ล, ลักษณะยอย่างนี้แปลว่าเสียหายอะไรไ้มทีนี้นโอสูด เ, เดียวๆจอกหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าจะเอาความเข้าใจกันแล้วครั้งนั้นพระพกู้มีพระภาคพระตรัสถามพิสูจทั้งหลายว่าดูความพิสูจทั้งหลายพวกเธอจับสําคัญความข้อนั้นเป็นฉนาดสาจากพิสูจนผู้เกวะกบุญเนี่ยจะเป็นผู้ทำความเจริญในพระธรรมวินัยนี้บ้างหรือไม่ ถามทันทีว่าความเห็นแล้วกล่าวว่าทำแล้วต้นหนอย่างเนี้ยจะทําความเจริญหรือจะทําความเรียงหายถ้าว่าทําวินัยนี้พิสูจนงแล้วก็ข้อ น, นี้มีได้อย่างไรข้อ น, นี้ไม่ได้มีเลยพุทธเจ้ากล้าบ่นว่าทําวินัยจะไม่เจริญถ้าเป็นการกล่าวว่าทําในลนักษ้นไอย่างนี้พุทธเจ้าเปลี่ยนเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายทูล อ, อย่างนี้สาวตัดพิสูุน์คู่เทวตบุตรนั่งนิ่งกระดาษคอศก้มหน้าซุบเ้าโกวตธรีานนึงตรงนี้ว่าทุกคนก็ อางการรวมกำลัเนี่ยนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าสาติพิกสุผู้เกวันกบุตญมีความเป็นดังนั้นจึงตรัักันถือว่าดูก่อนโมคบุรุษเธอจักปรากรด้วยทิฏฐิอลาโมของตนนั้นแล้วจักสอบถามพิกสุทั้งหลายในที่นี้ลำดับนั้นเนี่ยพระผู้มีภาคตรัสถามพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิษุทั้งหลายพวกเธอย่อมรู้ทั่วถึง ทำที่เราแสดงแล้วเหมือนสารัพิสูจน์กล่าวตูเราด้วยขุณตนเสื้อด้วยจับประสบบาปนี้ใช่บุญมากด้วยเพราะที่ผิดที่ตนถือชั่วแล้วดังนี้หรือที่ตเหล่านั้นก็บุญรับบุญข้อนี้ไม่มีเลยต้ก็ไปเจ้าค่าเพราะวิญ ญ, ญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นเพระพู้เีพระภาคเจ้าจตรัสแล้วแต่พวกาข้าพราะองค์โดยอเบียปริยความเกิดขึ้นแห่งวิญ ญ, ญาณเว้นจากปัจจัยไม่ได้อยู่ พิสูจเหล่านั้นเขาไม่ได้มีความเห็นผิดเขามีความเห็นถูกว่าวิญญาณเนี่ยมีจักรวิญญาณเป็นต้นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยเมื่อปัจจัยเหล่านั้นประชุมกันพร้อมเพียงกันเกิดขึ้นแล้ววิญญาณเหล่านี้นจึงเกิดขึ้นเดีวถ้าจะไปขยายอย่นี้พิสูจนเหล่านั้นจะทูว่าข้อนี้ไม่มี วิญญาอาศัยปัจจัยเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายดีแล้วพวกเธอรู้พวกถึงธทำที่เราแสดงอย่างนี้ถูกแล้วดูก่อนพิสูจนทั้งหลายวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมนั้นเกิดขึ้นเราเก่าโดยอนเนกปริยายความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยไม่ได้มีก็แต่สาธิตพิสูจน์นี้เกวัตบุตรเ ก, ก่าตูเราด้วยขุนตนเสียด้วยก็จะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้ว ความเห็นนั้นของโมคฆะบุรุษนั้นจะเป็นไปเพื่อโทษไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคุ้มตลอดกาลงานอันนี้เป็นคํากล่าวเลยนะว่าเวลาทนกล่าวสู่พระพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากจะเสียหายแล้วเนี่ยยังประสบบาปไม่ใช่บุญแล้วก็ประสบทุกข์เป็นไปในอนะคาคตเพื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ตรัสด้วยสัพพนิทญาณเนี่ยนะเวลาใครที่ไม่ได้เจ้าจรู้ในเวลาไปกล่าวสู่ตามทิศถีตามความเห็นของตัวเองเนี่ย ไปประกาศทิฏฐิหรือประกาศความเห็นของตนเองเนี่ยขัดแย้งคําสอนของพระุทธเจ้าเนี่ยเสียหายมากมายทีคนที่เสียหายนี่คือคนกล่าวคนที่กล่าวตัวเสียหายคําว่าเสียหายเนี่ยเสียหายยังไงหนึ่งโอกาสที่ตนเองจะบรรลุธรรมก็หมดแล้วประกาศต่อมาคือว่าถ้าตนเองไม่สละทิฏฐิอันั้นนะ ไม่สลาดทเถียนั้นยังสมาทานทิถีตั้งมั่นกับทเถียนนั้นนะในที่สุดจริงๆก็คืออบายทุกขติวิปัสสนาคือเป็นกล่าวตูัคําสอนของท่านผู้อ่ะของพระพุทธเจ้าของสอกันตโยเนี่ยพระผูพพ้มีพรภาคก็กลับวว่าดูความพิสูจทั้งหลายวิญญาณอ า, ายปัจจัยใดเกิดขึ้นถึงความนับเป็นตปใจนั้นวิญญาณอ า, ายจักรสุและลูกทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าจักขูวิญญาณคือ สุดแปลกนะอย่างที่เขาเรียกว่าจักขูวิญญาณเนี่ยที่เรียกว่าจักสูวิญญาณหรือจักขูวิญญาณเนี่ยเรียกไปเพราะอาศัยปัจจัยเนียอาศัยปัจจัยก็คือว่าอาศัยรูปอาศัยจักรวาลเพราะมีรูปารมณ์มีจักประวาลเนี่ยนะแล้วก็เป็นปัจจัยแล้วก็มีจักขูเป็นปัจจัยเกิดจักขุวิญญาณ วิญญาณอาศัยโศกตาและเสียงทั้งหลายเกิดขึ้นจะถึงความนับว่าโศกวิญญาณวิญญาณอาศัยคานะและกลิ่นทั้งหลายเกิดขึ้นจะถึงการนับว่าคานาวิญญาณวิญญาณอาศัยชิวหาและรถทั้งหลายเกิดขึ้นจะถึงการนับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยกายและปวดสะพ้าทั้งหลายเกิดขึ้นจะถึงการนับว่ากายวิญญาณวิญญาณอาศัยมณะและธรรมารมทั้งหลายเกิดขึ้นจะถึงการนับว่ามโนวิญญาณนี่ก็อุปมาเปรียบเสมือนไป อาศัยเชื้อใดๆเกิดขึ้นจะถึงนับว่าเชื้อนั lar, ้นไฟอาศัยไม้ติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟฟืนไฟอาศัยสะเก็ดไม้เกิดขึ้นจะถึงนับว่าเป็นไฟสะเก็ดไม้ไฟอาศัยหญ้าเกิดขึ้นจะถึงนับว่าเป็นไฟหญ้าไฟอาศัยโคมัยเกิดขึ้นก็ถึงนับว่าไฟโคมัย ไฟอาศัยแกบติดขึ้นก็ถึงการนับว่าไฟแก่ไฟอาศัยหยักเยื่อติดขึ้นก็ถึงการนับว่าไฟอยักเยี่อชั้นใดดูกว่าที่สุดทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันวิญญาณอาศัยปัจจัยใดเกิดขึ้นก็ถึงการนับว่าปัจจัยนั้นๆวิญญาณอาศัยจักสุและโูปเกิดขึ้นก็ถึงการนับว่าจักดูวิญญาณวิญญาณอาศัยโสตและเสียงทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงนับว่าถึงการนับว่าโสตอิญญาณ วิญญาณอาศัยฐานะและกิ่นทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงการนับว่าฐานะวิญญาณวิญญาณอาศัยรสทั้งหลายอาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงนามนับว่าชิวหายวิญญาณวิญญาณอาศัยกายและปวดสะานทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงการนับว่ากายยวิญญาณวิญญาณอาศัยมระและธรรมารมทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงการนับว่ามโนวิญญาณแต่ตรงนี้คือว่า จักขูวิญญาณโสตวิญญาณขานหวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณที่เราเรียกที่เรียกแบบเนี้ยเรียกไปตามปัจจัยของเขาเพราะเขาอาศัยตาอาศัยรูปเลยเรียกจักขูวิญญาณอาศัยโหมอาศัยเสียงก็เรียกโสตวิญญาณอาศัยกลิ่นอาศัยรสก็เรียกขานห้าวิญญาณอาศัยลิ้นอาศัยรสชิวหาวิญญาณอาศัยกายอาศัยปุถุพะเรียกกายยวิญญาณ อาศัยใจและอาศัยธรรมาตกก็เรียกมโนวิญญาณเรียกไปตามปัจจัยนะที่วิญญาณเนี่ยเรียกไปตามปัจจัยที่ดูก่อนที่สุดทั้งหลายเธอ mm. ทั้งหลายย่อมเห็นขันทั้งบรจยกาศที่เกิดขึ้นแล้วหรือเห็นแล้วมันไม่ได้เจอกันก็เลยพูดดเห็นว่าเออขันทั้งบรรยกาศเกิดขึ้นเธอทั้งหลายเห็นว่าขันทั้งบรรยกาศเกิดขึ้นเพราะอาหารหรือเห็นอย่างนั้นอาหารเรีปัจจัยนะ เธอทั้งหลายย่อมเห็นว่าขันทัศน์บรรนั้นะมีความดับเป็นธรรมดาเพความดับแห่งอาหารนะั้นหรือเห็นอย่างนั้นเราพุทธเจเ้าครัก็แปลว่าอาหารเนี่ยนะปัจจัยของขันจะถ้าเกิดขันก็เกิดปัจจัยของขันดับขันก็ดับความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเคื่แขรงว่าขันทัศน์มีหรือหนอเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงพุทเจเ้ากล่าว ความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเพ้อแฝงว่าขันธปั้นยากาศเกิดเพราะอาหารนั้นหรือหนอเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเพ้อแฝงว่าขันธ์ั้นบรรยกาศมีความดับเป็นธรรมดามีความดับเหนอาหารนั้นหรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าบุคคลเห็นอยู่ในปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่าขันธปั้นรยากาศเกิดขึ้นแล้วย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้า บุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาช่อดตามความจริงว่าขันธ์ะปัจจัยการเกิดเพราะอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาช่อดตามความเป็นจริงว่าขันธ์และปัจยการนั้นมีความดับเป็นธรรมดามีความดับเพราะความดับของอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะไปสาธิตเองอธิบายตามตามอธถการน้อยดี เธอทั้งหลายหมดความสงส er ัยในข้อว่าขันธ์ปัญจการมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นแม้จังนี้เป็นอย่างนั้นทบุตรเจ้าได้เธอทั้งหลายเห็นดีแล้วทด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่าขันธ์ปัญจการเกิดแล้วจังนี้หรือเป็นอย่างนั้นทบุตรเจ้าข้าเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่าอะ การเกิดขึ้นกองหารตัวนี้บอกเป็นอย่างนั้นเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วด้วยปัญญาเจ้าตามความจริงว่าพันธุ์ัศนกาศมีความดับเป็นธรรมดาเพราะอาหารนั้นเองกลับไปเป็นอย่างนั้นก็เพื่อเจ้าข้าหากพวกเธอทั้งหลายคุณติดอยู่เพื่อเพลินปราถนายึดถือเป็นของเราซึ่งทิฏฐินี้อันบริสุทธิ์ดป่องอย่างนี้ด้วยตัณหาและทิจฐิเธอทั้งหลายควรรู้ว่าถึงคาที่เปรี่ยนด้วยทุ่น อันเราสแสดงแล้วพเพื่อประโยชน์ในอันสลัดออไม่ใช่สแสดงแล้วเพื่อประโยชน์อันถือไว้บ้างหรือหมอข้อ น, นี้ไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าถามต่อไปว่าหากพวกเธอไม่ติดอยู่ไม่เพลิดเพลินไม่ปราถนาไม่ยึดถือเป็นของเราอยู่หมถึงยึดถือฐานนี่นะเส้นเทถีอันบริสุทธิ์ขุดฟองอย่างนี้เธอทั้งหลายฟังเพิ่มรู้ธรรมที่เปลี่ยนด้วยทุน่นอันเรารแสดงแล้วพเพื่อประโยชน์ในอันสลัดออไม่ใช่สแสดง แล้วเพื่อประโยชน์ในอันผีไว้บ้างด้เหรอเป็นอย่างนั้นก็จะเจ้าการคุที่ยวปรเสดาอาหารสี่อาหารสี่ก็คือว่าดูความพิสูจนตั้งหลายอาหารสี่อย่างเพื่อความตั้งอยู่ของเราสัตว์ที่เกิดขึ้นมาบ้างเพื่ออุปเคราะห์เราสัตว์ที่สแสวงหาพบอาหารสี่ก็คือว่าการเอกระวังกระลาอาหารปัญญยาบหรือละเอียดอันนี้เป็นที่หนึ่งภาษาหานี่เป็นที่สอง มนุษยสังเกตอาหารนี่เป็นที่สามแล้วก็วิญญาณอาหารเป็นที่สี่ดูปากทิศทั้งหลายอาหารสี่ยางเหงนี้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นสมุทัยอะไรเป็นชาติอะไรเป็นแดนเกิดอาหารสี่เหลานี้มีตัณหาเป็นเหตุมีสัณหาเป็นสมุทัยมีตัณหาเป็นชาติเป็นมีตัณหาเป็นแดนเกิดแล้วก็ตัณหาเรามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นเหตุแด น, น, นเกิด ตั้งหาก็มีเวทนาเวทนามีอะไรเป็นเหตุปัสาะมีอะไรเป็นเหตุปัสามีอะไรเป็นเหตุต้องมีสรายตลายยัญชนามีอะไรเป็นเหตุน้มรูปมีอะไรเป็นเหตุวิญญาณมีอะไรเป็นเหตุวิญญาณก็มีสังขารสังขารมีอะไรเป็นเหตุดูก่อนทิ ก็บอกว่าวินดูความที่สุดทั้งหลายวิญญาณนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณก็มีสังขารสังขารเป็นสมุทัยมีสังขารเป็นชาติมีสังขารเป็นแดนเกิดด้วยก่อนสังขารมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นมีอะไรเป็นแดนเกิดสังขารก็มีวิชาถามว่าวิชา เป็นชามีอาจิชาเป็นแดนเกิดดูควาที่สศษทั้งหลายสั้งป่าทั้งหลายมีมีเพราะอวิชาเป็นปัจจัยวิญญาณก็มีเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามรูปก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยสลายยุทนาก็มีนามรูปเป็นปัจจัยต่างๆก็มีสรายยุทธนะเป็นปัจจัยเวทนาก็มีผันป่าเป็นปัจจัยกัญหาก็มีเวทนาเป็นปัจจัย อุปาทานก็มีปัญหาเป็นปัจจัยเพราะผมมีอุปาทานเป็นปัจจัยชาติก็มีเพราะเป็นปัจจัยชรามรณะโสกับปณิเทวทุกขโทมารณะสและเศรุปลายาตมีพระชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นในกองทบกั์ขึ้นมีด้วยประการอย่างนี้เป็นต้นเหไรเนี่ยเวลาแสดงคําสอนตามหลักของปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยถ้าเราศึกษาในเรื่องของจิตกับเกี่ยวกับในเรื่องของวิญญาณใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงดังที่ได้กล่าวบอกว่า ที่จริงก็พูดถึงวิญญาณแต่จริงก็ต้องไล่โอวอวิชาปัญจาสังขาราสังขารทัปจยาวิญญาณวิญญาณปัปจยานามบรูตัมเป็นต้นเนี่ยก็พอมาดูในส่วนของวิญญาณเนี่ยตัดใจของวิญญาณก็มีสังขารตัดใจของสังขารก็มีอวิชานี้เป็นต้นเยก็ไล่ขึ้นและลงเป็นต้นไปตามลำดับเพราะพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าชรามรณะมีเพราะชาติเป็นปัจจัยเนี่ยชาติเป็นปัจจัยชรามรณะมีในข้อนั้นเป็นอย่างนี้หรือไม่เป็นต้นจะถามภิกษุตรงนั้น แล้วตอนแรไปตามลำดับบอกว่าชาตินี้ชาติมีอะไรเป็นปัจจัยล่ะชาติก็มีภพเป็นปัจจัยภพก็มีอุปาทานเป็นปัจจัยอุปาทานก็มีตัณหาตัณหาก็มีเวทนาเวทนาก็มีปัสสารปัจจาก็มีอายตนะอายตนะก็มีมีอะไรนามรูปนามรูปก็มีวิญญาณวิญญาณก็มีสังขารสังขารก็มีอวิชชาเป็นต้นเหล่าเนี้ยเป็นปัจจัย ก็เป็นไปตามลำดั บ, บในเรื่องต้นไหนหรือเนี้ยนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แล้วดูการที่สต้ทั้งหลายข้อที่กล่าวนั้นถูกแล้วพวกเธอกล่าวอย่างนั้นแม้เราก็กล่าวอย่างนั้นเมื่อสิ่ง น, นี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดคือพระวิชาเป็นปัจจัยสังาขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีเป็นต้นไปตามลํอด วิญญาณจะมีพร่อวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจะมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสรายยตนาจะมีเพ่อสรายยตนาเป็นปัจจัยภาษาก็มีภาษาเป็นปัจจัยเวเนาเพราะเวเนาเป็นปัจจัยตัณหาจะมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจะมีพ่ออุปาทานเป็นปัจจัยพบจะมีพ่อภพเป็นปัจจัยชาติจะมีเพราชาเป็นปัจจัยชราวรรณาโศกตาบริเตวันทุกขโทมนาสตาอุปายาจะมีความเกิดขึ้นอีกองทุกขสิ้นนั้นจะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ถ้าอาวิชาจับ โดยไม่มีเหลือสังขารดับแม้สังขารก็ดับวิญญาณก็ดับเพราะวิญญาณดับนามรูปก็ดับนามรูปดับสราญตนาดับสราญตนาดับปัสสาก็ดับเพราะปัสสาับเวทนาก็ดับตัณหาดับอุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับภพก็ดับเพรพดับชาติแลาก็ชาติดับก็ญจรามระโสกดัปริเตวะภุกตะโทมระนาศอุปาญาติก็ดับอันนี้นายยงความดับ เพราะชาติดับชรามรณะดับดังนี้เรากล่าวว่าดูความพิสูจทั้งหลายว่าชาติดับนั่นแหละชาลามรณะจึงดับในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรืออย่างไรพิสูจก็บอกว่าข้าแต่ว่าองคุติเลงเพราะชาติดับชรามรณะก็ดับในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้เลยก็ข้อว่าพพบดับชาติก็ดับดังนี้เรากล่าวแล้วดูความพิสูจทั้งหลายว่พบนและดับในข้อนั้นเป็นอย่างนี้เป็นต้นก็กล่าวในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นไปตามลําดับ เพื่อในการกล่าวคําสอนตรงเนี้เนียแล้วต่อมาก็เป็นการกล่าวพุทธคุณเพราะกล่าวพุทธคุณเบ็ดเสร็จเนี่ยนะตรงนี้อ่ะไปถึง อ, อีกตอนหนึ่งเอาเลยไปเลยนะถึงตอนที่ว่าพราะเราไปอ่านกันแรกในสุตรทิศูดนั้นอ่ะประกอบด้วยสีละขรนธอินทรสัมวาและสฏิสัมยเยขันยา่ยาเป็นไตรยแค่นี้แล้วย่อมเสดเสนนาสนะอันสงบ ก็บอกว่าตรงนี้ในการกล่าวพุทธคุณเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูบาปทิฏฐ์ทั้งหลายตถาคตุบาปเกิดขึ้นในโลกเนี่ยเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่รู้โดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาแล ะ, แ ะ, ะเจรนาแสดงไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารสีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีบุคคลอื่นที่กว่าเป็นสาวซดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้จำแนกทำเป็นสถาคตทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมาโลกเราโลกให้แจ้งชัดด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงและสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสำนัมธรรมเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามแสดงธรรมงานในเบื้องต้นทำกลางาที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมตั้งอัฏฐานและปะัญญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ่งเชิงนี่นะข่าวบดีบทของข่าวดีและผู้เกิดภายหลังในสกุลใดสกูลหนึ่งย่อมฟังธรรมนะ ขั้นฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาในพระธถามก็เมื่อได้ศรัทธาแล้วก็ตระหนักว่าคาราวะวิสัยเนี่ยคับแคบพุทเจ้าแสดงแต่คนที่มีศรัทธาจะมีความคิดแบบนี้แนะวออการเป็ น, าานคารวะเนี่ยคับแคบเป็นทางมาแห่งผู้ดีบประชาเนี่ยเป็นทางปรบโปร่งนะการที่บุคคลผู้คลองเรือนจะเพิ่มปรมจานทร์ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุดขังที่เขาขาดจะไม่ใช่ทํำได้ง่าย ถ้าอะไรเราลงผมแน่นวดนุ่งผูกผ้ากาสาวพัดออกบวเป็นบนรรพชิตสมัยต่อมาเขาละกองโภคาสมบัติอน้อยใหญ่ละขึ้นละญาติน้อยใหญ่ลงผมแน่นวดนุ่งผูกผ้าก า, าออกบวชเป็นบนรรพชิตพระพุทธเจ้าประกาศหรือพุะเคุณสแสดงตามทำตามลำดับเกิดเสร็จกัยพอสแสดงในปฏิจจสมบัาินี้นะเป็นไปตามลำดับตั้งแต่ตั้งสายเกิดและสายดับนี่นะ เป็นไปตามลําดับแล้วเนี่ยแล้วต่อมาก็สแสดงการก้าวลงสู่ขันคือการประชุมใ น, นของปัจจัย น, นั่นเองวงการเกิดของขึนของทารกเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยมารดาบิดาอยู่ร่วมกันแต่มารดาบิดายังไม่มีเลยดูเป็นต้นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งทารกนี้เองแต่ตร์ที่จะมาเกิดก็ยังไม่ปรากฏความเกิดขึ้นแห่งทารกก็ยังไม่มีก่อน ในโลกนี้มารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดาบิดามีฤดูแต่สัตว์ที่เกิดไปยังไม่ปรากฏความเกิดขึ้นแห่งทารกก็ยังไม่ปรากฏดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อใจมารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีฤดูด้วยสัตว์ที่มาเกิดก็ปรากฏด้วยเพราะการประชุมกันของปัจจัยสาประการความเกิดขึ้นแห่งสัตว์เป็นนี้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายมารดาย่อมรักษาทารกนั้นได้ท้องเก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้างเมื่อร่วมไปเก้าเดือนหรือสิบเดือนเนยก็คลอดทารก ผู้เป็นทาลณหนักนั้นน่ะด้วยความสงสัยใหญ่และเลี้ยงาการลบผู้เป็นทาลณหนักนั้นน่ะซึ่งเกิดได้ด้วยโลหิตของตนด้วยความสงสัยใหญ่แล้วก็ดูความพิสุจน์ทั้งหลายน้ำนมของมาดา น, นับเป็นโลหิตในอริยวินัยนี่ดูปวามิสูจน์ทั้งหลายผู้มาหน้าศัยความเจริญอา้ัยความเติมโตอาศัยอินทรีย์ทั้งหลายย่อม เล่นเดเครื่องเล่นสาหรับภูมาคหรือไถเล็กบั้งปีไม้บ้างหกขมินบั้ ง, ง, ง, งจงห า, างรารั้งตัวตาดเล่นนูเป็นต้นเดูก่อนที่สุดทั้งหลายภูมานั้น่าสัยความเจริญและความเติมโตแห่งอิทร์ทั้งหลายสั้งฟอสร์นเลยด้วยการประูลทั้งนู่ปที่รู้แจ้งด้จากหน้าปราถน า, นาหน้าไข่นหนาพอใจน่ารักเ ด, ด้วยการไปที่ตั้งแห่งความกำลังความเพื่อเปลี่ยนเสียงโดยสดตาเป็นต้นเนี่ย คือยินดีในรูปเสียงกล่นรสสัมผัสแล้วก็อ น, นาปราศรนา ห, ห น, าน้ารักมน้าพอใจปเป็นตัวเหล่านั้นเนี่ยย่อมเป็นผู้มีสติเนียแล้วก็บอกว่าปุมาะนั้นในโูปด้วยจัตุแล้วย่อมกําหนังในรูปที่น่ารักย่อมขัดเคืองในรูปที่น่าชังย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่นและมีจิตเป็นผู้เป็นผู้สอยู่ย่อมไม่ทราบชัดด้วยเจโตวิมุตและก็ปัญญาวิมุตตั้งเป็นนิจบ บทแห่งเราอัุษรนารมบรรลามุกตามความเป็นจริงเขาเป็นพูดถึงพร้อมซึ่งความยินดียินร้ายอย่างนี้แหละเสวยเวทนาใดเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็จะเพื่อเกินต็ดใจสุขเวท น, นาอยู่เป็นต้นเหล่านั้นแล้วก็เมื่อเพื่อเกินเวทนาทั้งหลายก็เป็น ป, จปัจจัยเกิดอุปาทา เพาอปาทาเป็น ป, ปัจจัยก็มีพ่อพ่อพเป็นปัจจัยก็มีชาติเพาะชาติเป็นปัจจัยก็มีชราวารณาโศกตาปริเทวะนุกะัะโมนาตาอุปายะอยากเกิดความเกิดขึ้นในองทกขก็มีได้ด้วยประการอย่างนี้นอันนี้พระพุทธเจ้าแสดงปฏิเจริญบัตตั้งแต่คารตกแรกเกิดเลยนะสแสดงการอุบัติเกิดขึ้นว่าระหว่างพ่อแม่เป็นต้นละเนีรรรย้ยแล้วก็มีสัตว์มา ถ, ถือปฏิสิณที่แ่นะทีนี้พอสัตว์มา ถ, ถือปฏิสนณที่เนี้ยก็มีการประชุมตรงนี้ต้อเห็น บอกว่าแม้แต่ปฏิสัณฑที่วิญญาณจะเกิดขึ้นมาได้ยังปฏิสัณฑที่วิญญาณเนี่ยก็ยังต้องอาศัยปัจจัยอ่ะโดยหลักการก็คือตัวนั้นก็ต้องอาศัยปัจจัยไม่ใช่มีปัจจัยนั้นปัจจัยก็คือว่าต้องอาศัยข้ออย่างหนึ่งอาศัยแม่อย่างหนึ่งแล้วมันจะต้องอาศัยว่าอยู่ในเหตุปัจจัยนะอย่างพระอัตถะขาเขาบอกว่าอายในเด็ดวันนี้เป็นต้นนะนะก็ว่าสัตว์นั้นมาถือปฏิสนณฑ์ พระสารนั้นมาถึงปฏิสติสทีสแสดงว่าหนึ่งมาจากปัจจัยในปัจจุบันก็ถือว่าพ่อแม่เป็นต้นเหล่านั้นแล้วต้องมีกลุ่มของเอตวเมื่อวันก่อนจะไปดูว่านามาลูกที่ทําปฏิสติทีเนี่ยถาวบอกว่ารูปปฏิสติทีก่อนหรือนามปฏิสติสก่อนในการอย่างลงปฏิสติทีครั้งแรกเขาบอกน้องกันยังไงนามารูปเนี่ยพร้อมกันไม่มีก่อนไม่มีหลัง ถ้าอุโมาเหมือนนกเ่ะเวลาบินไปเนี่ยนะเวลาไปจับติ้งไม้เนี่ยระหว่างเง้ากับตัวจริงกับขาจริง จ, งจับเนี่ยอะไรก่อนอะไรหลังป้องกันฉันใดปฏิสุทธิวิญญาณกับปฏิสุทธิกรรมชัชโุกก็ปฏิสุทธิพร้องกันอย่างนั้นทีนี้ปฏิสุทธิวิญญาณและปฏิสุทธิวิญกรรมชัชโุกเนี่ยก็มีปัจจัยมีกรรมมีชนกกรรมเนี่ยนะคือกรรมที่แต่งให้เกิดเนยในอดีต อาจจะเป็นในครบก่อนก็ได้ยังไม่หลังจะพบนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นพุ่งไปฝอุปรชาชญ์เวทนิยกรรมก็ได้เป็นอัปราคาปรเล่าเวทนิยกรรมในพบที่สามเป็นต้นก็ได้ที่ไปทําปฏิสนติให้ตั้งขึ้นในปัจจุบันในพบนี้หรือในอนาคตทีนี้ตัวปฏิสติเป็นยังเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วต่อมาก็เิอเติบโตในท้องมังมานดาเ น, นี่ยนะ9เดือนบ้าง10เดือนบ้างว่าไงนะแค่ยืนมาคนแปดก็มีนะเจ็ดก็มีนะ ท่านใช่่นอาจารที่นี้ก็บอกว่าเมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยสิพอเด็กนั้นก็เจริญเติบโตขึ้นมาก็ติดใจเองไหมลหลงใหลได้กลืมในกามาคุณอารมณ์แล้วก็ยินดีเพลิดเพลินในเสียงที่น่ารักในโรปที่น่ารักเสียงที่น่ารักกลืมที่น่ารักเป็ น, นต้นเหล่านี้ยเป็นต้ตนก็เกิกามาคุณให้ที่นี่ความยินดีความก่อนหน้านั้นก็ยังไม่เกิดมาศาสนาใช่ไหม หมายความบอกว่าไอ้ตัณหากรณีที่มันยินดีเพืิดเพลินยนเป็นปัจจัยเกิดกายกรยก ร, รมวิจีกรรมเว้นเธอเหล่านี้ยัไม่เกิดตอนอยู่ในท้องยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงไหมแต่เขาก็าเกิดตัณหาที่จริงในวิถีแรกเนี่ยเขาเรียกเพราะว่วาในการต่าโลภะชนเอาวิถีเนี่ยเข า, าบอกศัพโลกที่เกิดมาในสามสิบภพเนี่ยนะเวนัสัญญาสุตาภูมิเนี่ยนะวิถีแรกในขนาดจิตแรกเนี่ยเป็นโลภะจิต เป็นโลภาเนียนั้นเขเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยก็ยินดีก่อนแล้วก็รงั้นเนีแม้แต่สัตว์ที่ได้เกิดในอบยัยวุมุ่งไปเกิดในสัตว์นรกเนี่ยขณะจิตครั้งแรกเนี่ยอโลภาก่อนเดี๋ยวโทษศาสตค่อยจำเลยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เร็วมากทําไมโลภาจึงเกิดก่อนรูนะ้ไหมอะไ ร, รอ่ะ ความยินดีพอใจในพบความยินดีพอใจในขันเนี่ยมันมีในขณะเกิดแล้วขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าความยินดีในขนาดนั้นไม่ทำกายวิญญาตวจีวิญญาตให้สร้างขึ้นทีนี้พอเกิดมาเนี่ยความได้เล่นใช่ไหม ได้มีของเล่นได้อะไรต่างๆอะไรนี่ความยินดีความเพลิดเพลนตัณหาก็เกิดที่เพราะตัณหาเกิดก็เป็นปัจจัยเกิดอุปาทานหรือุปาทานก็เป็นปัจจัยเกิดภพภๆก็เป็นปัจจัยเกิดชาติชาติก็เป็นปัจจัยเกิดชาราบรารณะโสกปรีเตวะทุกขโทมานาสานิวปายาทีทางจากอุทนะวานเนื้อถ้าจากโสจากบุธวาก็จะเป็นไปลักษณะอ ย, อย่างเนี้ยเพราะตัณหาเกิดใช่ไหมสุขเนสุขมันก็จะเกิดความสุขสุขบ้างทุกบ้างแล้วก็อุเบกขาบ้างก็เป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยเกิด อุปาทาอปาทานเป็นปัจจเกิดพภพก็เป็นปัจจัยเกิดชาติชาติก็เป็นปัจจัยเกิดชรามารนาโสกกาลปีเตวะทุกขโทมารนาตากวายานี้เม่เกิหรไม่ว่าการไปเล่นต่างๆอะรนี้ลำดับแรกก็คือมาเยนาเนี่ยตุคเวนาเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นปัจจัยเกิดความยินดีเกิดความเพลิดเพินทางทวารตาขอจมูกเล่นกายนัือทวารกาแล้วก็ไล่ไปตามปฏิจจาระบาททางอารมณ์ท้งโหนกนีเราจะทางทวารนั้หนกก็จะก็หมุนวน จะเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็เลยกล่าวบอกว่าจะถากคดเลยใช่ไมพเพราะกล่าวความเป็นไปของสังสารวัตรความเป็นไปของปฏิสนุบาตเป็นไปอย่างนี้ เ, เสร็จแล้วพวระพุทธเจ้าก็เลยว่าตราดอยู่บอกดูความพิสูจทั้งหลายแต่ถาคดุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นพ้าอรหันต์ตัดรู้เองโดยชอบเป็นต้นอะไรเนี้ย เป็นพร้อมในวิชาและจารณาเสด็จไปดีแล้วเป็นสารถีลูกศุภูรุษไม่มีบุคคลอื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยุคผู้ตื่นแล้วเป็นพรตถาคนทําโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกตรโลกให้แจ้งโดยปัญญาชอบตามความเป็นจริงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมนาและเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามสแสดงคําในงามในเบื้องต้นทางกลางและที่สุดประกาศประมาจารย์พร้อมทั้งอัฏฐะและปัญชนะบริสุทธิ์บริบวรมิ้นเชิง ขนำพอดีบุทของขนำพอดีผู้เกิดมาภายหลังเดชกุลหนึ่งย่อมฟังธรรมนั้นเนี่ยพอฟังธรรมแล้วมาได้ศรัทธาแล้วไปฟังธรรมแล้วได้ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเมื่อได้ศรัทธาก็มาพิจารนาวคา ว, วาเนี่ยทับแคบใช่ไหมคือเด็กคนนั้นเนี่ยที่มาคุกฝุดนคุกซุลีเล่นของอะไรต่างๆถ้าได้มาฟังธรรมเนี่ยนะพอฟังธรรมขึ้นมาก็จะไม่เพลิดเพลิแล้ว ไม่เพลิดเพลินเหมือนเก่าก่อนแล้วปฏิจจสมุปบาทก็จะไม่หมุนไปในกระแสใจนั้นแล้วจิตใจก็อยากจะถ่ายถอนถ่ายถอนว่าจะทุกข์ให้ออกไปจากต้องการอยากจะพ้นจากสังสารวัฏนั้นพอฟังทำแล้วก็เกิดศรัทธาในพระเจ้ถาคนทีนี้เมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็สนักว่าเออฆราวาสเนี่ยก็ขับแคบเป็นทางไม่ผู้รีนั้นบรรพชานี่ยแล้วเป็นทางดอกโกลงการที่บุคคลครองเรือนจะพ้นพรหมจารย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ โดยส่วนเดียวจุดสาที่ขัดไม่ใช่ทําได้ง่ายตั้งแต่ลายก็ปมผมด้วยหนวดนุ่งผมผ้าการตะวัชออกบวดเป็นมันเป็นชิปสมัยต่อมาเขาก็ละของปูคาน้อยอยทิ้งหมดเนี่นะกลุ่มที่เขามีศรัทธาจริงๆเนี่ยนะทิ้งหมดแล้วโูคาที่น้อยอย่างทิ้งยากเลยแต่นี้ฟังเป็นอุปนิสัยไว้ก่อนนะเอาไว้อีกหลายๆร้อยชาติไปคิดตอนนี้จะคืนพิ้ง อั น, นี้เขาเรียก็ฟังให้เป็นอัจฉริยกใสกวางลองคิดดูขนาดฟังอย่างนี้ใจมันยังไม่ออกใช่ไหมนั้นก็ฟังไปเรื่อยๆฟังฟังให้ตั้งเป็นอัจฉริยะใสาก็ว่าพอไปหลายๆพบไปฟังนั้นคนที่เข้ามาฟังอย่างนี้ฟังเยอะๆแล้วก็ขยายได้แน่ดีก็ฟังไปจนเป็นผูป้ปฏิสัยอย่าไปคิดว่าการมันลุกทำมันจะเป็นไปได้ไงนะ่ายๆ ที่บอกว่าโอ๊ยไม่กังไปฟังอะไรมากเรารู้ไหม<ด> บ, นบนางคนก็สอนผู้สักกรหยุดอ่านไว้ใจโดดไปงานเนี่สมัยก่อคนก็ก็สอนบอกเนี่ยท่านเห็นไหมก็ว่างั้นนะเสียงในท่านได้ยินไหมไม่หายปะแต่ผมไม่ได้ยินแล้วแล้วมันเกิดดับอยู่ในท่านมันเกิดดับอยู่ยังไม่เสียงที่พูดมัได้ยินมันก็เกิดดับอยู่ท่านรู้ไหมผมรู้ ท่านก็ตกำหนดได้ดูมันเกิดดับอยู่ท่านก็เห็นแล้วมันเป็นอนันนี้จังมัาไม่เที่ยง ม, มันเป็นทุกข์แล้วก็บังคับไม่ได้ใช่ไหมเออใช่งันไม่จับไม่เห็นจำเป็นต้องไปฟังอะไรมากเลยเนน ม, มีเหตยผลไหมทำไมไม่มีปวดสะเต็มที่ยังไม <c> ่ <oughs> ยังไม่รู้กรรมผลของกรรมเลยไม่รูจะไปเบื่ไหนอะไรใช่ไหม ยังไม่รู้ปัจจัยของธรรมะเหล่านี้เลยจะไปเบื่อไหนอล้วความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและอาชีพเนี่ยผมว่าเมื่อเขาบวชแล้วก็ถึงพร้อมด้วศึิกษาเออสิกขาและอาชีพสิกขาดาของพภิกษุทั้งหลายละการฆ่าตั์เว้นจากการฆ่า แล้วก็วางวางมีดแล้วมีความละอายมีความเย็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์เพื่อปูเถี่ยสัตว์ทั้งปวงอยู่และการลับขโมยไม่แต่การลักขโมยรับแต่ของที่เ้าให้การแต่ของที่เขาให้ไม่ต่อขึ้นเป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่นะต้องขนาดนั้นเลยหนึ่งหนึ่งปาณาจิบากก็ต้องละ เมื่อมีปนานปฏิบัตแล้วปานปฏิบัตแล้วยังไม่พอยังมีความรละอายมีความเห็นดูจเจริญเมตตาด้วยแล้วก็จะเลิญกรุณาในสัตว์ทั้งหลายด้วยเห็นสัตว์ทั้งหลายต้องตั้งกรุณาจิต ด, ด้วยใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยต้องต้องตั้งความรู้สึกไว้ในใจอย่างนั้นด้วยนะไม่ใช่ว่าโยเราไม่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวแล้วก็ไม่เจริญเมตตาไม่เจริญกรุณาเป็นต้นเหล่านี้ต้องเจริญกรุณาด้วยเพราะวิธีเคลื่อนกำลังก็วันก่อนใช่ไหม คนท no ี่เขารงในหลวงอยากว่าโอ้เดี๋ยวนี้อิสราเขาจะคองเมืองู้ว่ากัไมเโตไปอาบแล้วเขาจะทำยังไงแล้วท่านอาจารย์ราลุหนึ่งวกาคือคุข้ารุมเนี่ยท่านก็เป็นพระเถละเขาก็เป็นพระเถละก็มีอำนาจในการปกครองในจังหัดสุบันก็มีท่านนายพลท่านหนึ่งก็โทรไปนะ บอกว่าเนี่ยท่านจะคุณจะทำยังไงเลยเนี่ยบอกว่านน่มอิสลามมันจะครองเมืองแล้วมันฆ่าแต่ก็ได้ตอบมาดังโทรศัพท์ว่าจะทำยังไงนะก็ของเขาฆ่าศาสตร์ได้บุญของเรามันฆ่าาสตร์ได้บาปแล้ว <c oughs> <c oughs> จะไปทายังไงใช่ไหมก็ของเขาฆ่าศาสตร์ได้บุญของเรามันฆ่าสตรกได้บาปเยี่ยท่านจะพูดเล่นๆตอนนั้นดีปกที่ไปชมนันเขาบอก ถ้าเข้ามาถึงจังหวัดสุพรรณเนี่ยสมมติเราเมรัยทมาบุกถึงจังหวัดสุพรรณเนี่ยผมเลยจะสึกเป็นคนแรกนะครับุญทัเล่ๆนๆถาแล้วใครจะตึกกับผมแลไม่ตื่นก็ตายดีว่าจริงๆนลครับ้าสัต์ได้บุญกับข่าศัตร์ได้บาปเหมือนกันในซึ่งเชิเนี่ยยี่สู้กันได้งไงใช่ไหมเซ่อไม่ได้หรอก แต่คนเราวิธีคิดอลยของเราเนี่ยละตานาทิบาดได้ยังไม่พอยังมีความเอ็นดูมีความกรุณาด้วยเนี่ยนอกจากจะไม่เปฆ่าเขาเลยยังต้องเป็นกรุณาเขาด้วยเขามาฆ่าเรายังต้องกรุณาเขาด้วยยังต้องตั้งความรู้สึกว่าจะไม่โกรธเขาหากเขาเอาเลื่อยมาตัดเราไปออกเป็นสองท่อนเนี่ยจะไม่โกรธเขาเนมถ้าไปโกรธเขาแม้แต่ขนาดจิตเดียวชื่อว่าไม่ทาําตามคําสอนขอ ง, ของพระพุทธเจ้า จะทำไงข้อสองข้อที่ที่มันจริงแท้ตั้งแต่อยู่ในม้งแล้วเจ๊ไหมเป็นอย่างนั้นจริงจใช่ไหมจริงจริงตอ่จริงวเนจริงอาเาะรบเาพราะนทีม่ขาังเปอมเป็น้างก็ต้องเขาเป็นอย่างั้นเางเราเรามันแ้ก็ตอเทว่าอเราเป็นร ก็ก็ยอมนาไปขนาดเขาเอาเล่ยมาตัดออกเป็นสองข่อนนี้ก็ไม่เจริญเม่ตาข้ามโกรธแม้แต่ขนาดจิตเดียวถ้าโกรธเชื่อว่ามีทำตามไม่ทาตามคาสอนของเราคือของพระพุทธเจ้าแพ้ไหมเป็นแพ้ในมุ้งเลยที่จริงการแค้ลักษณะนี้คือการชนะ กกนนเก ด, ดี๋ยวนี้วันก่อนก็ไปดูปแถวแถวจังหวัดสมุทรปราการเขาก็ไปตอนนั้นมีสารคดีเขาไปถ่ายอยู่มีหมู่บ้านถ่ายไปทั้งหมู่บ้านน้ำมันท่วมน้ำทะเลเดี๋ยวนี้มันหมุนขึ้นมาเขาบอกว่า ภายี้ประมาณ 10-20 ป, ปีมาแล้วเสียพื้นที่ไปประมาณ 10,000 กว่าไร่ 10,000 กว่าไร่ดวทีนี้ก็ก็มานั่งคิดด้วยถ้สมัยก่อนกรุงเทพใช่ไ้ยตอนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ยในยุคปู่ทองนี่ในกรุงเทพมีก็เป็นดทนเลทั้งหมดเดี๋ยวต่อไปก็จะกลับเป็นดนเลยังไง โอเดี๋ยวนี้คนเนี่ยทุกวันนี้ก็ก็ตื่นตัวกันเรื่องโลกร้อนบ้างอะไรบ้างสารพัดเลยเริ่ม ร, ร้อนนรงเริ่มอะไรกันแต่คนไม่คิดเรื่องสังสารวัตรว่ามันเป็นทุกข์มันเปนโทษยังไงไม่รีบขวนขวายในการที่จะทําเจริญในศีลธรรมารที่ปัญญาเพื่อจะให้พ้นจากสังสารวัตรที่จริงในวาลาเ น, นี้ยมันน่าจะร้อนนรงอ่าอุ้มไม่ไหวอ่ะ มันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนั้นโลกทั้งใบนี้เดี๋ยวมันก็จะวิบัติอยู่แล้วฉะนั้นมันไม่ใช่ที่อยู่ประจำเนาะใช่ไหมมันเป็นที่อยู่ชั่วคราวแล้วว่าเป็นที่อยู่ชั่วคราวเนี่ยเราจะมาเอาจริงเอาจังตรงนี้นไม่ได้ส่วนที่จะควรจะเอาจริงเอาจังก็คือว่าถ้าหาว่ากุศลและทำใดที่ยังไม่เกิดก็ต้องทําให้เกิดขึ้นไอ้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องทําให้เจริญไปบูนยิ่งยิ่งขึนไปใช่ไหม เศีนสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดต้องรีบฝนไหวทําให้เกิดขึ้นนี่ทามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ยิ่งยิทําให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าโอ้จะไปทํามันแก้ไม่ได้หรอกปัญหาแต่นั้นแก้ไม่ได้เพราะมันเป็นโทษของวัฏฏะอย่างนี้ถ้าถ้าคิดถึงนี้ก็ใครจะลอยลอยกันไหมเราก็ลอยลอยกันหมดเอาลอยลอยกันต้องไปอยู่แล้วต้องเล่นส้องขึ้นปฏิบัติแล้ว แล้วก็ลักการรักเว้นขาดจากการรักรักแต่ของที่เ้าให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่กระเพื่อมตนเป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่สะอาดในที่นั้นก็หมายความว่าของทุกทีนะ น, นอกจากจะไม่รักแล้วเนี่ยต้องกัดแล้วก็คือว่าพิจารณ า, าของของบุคคลอื่นเป็นดังอสรพิษเลยถ้จาจะจับหรือจะรูกคำของใครเนี่ยก็ให้เหมือนอสรพิษเนี้่ ละกำเป็นข้าเึกแต่ปรมาจรรมประพืชปรมาจรรมทางไกเว้นขาดจำเมทุนอันเป็นข้าสุดอันเป็นกิรของชาวบ้าลนละการพูดเทสเว้นจากการพูดเทสพูดแต่ทำจริงคำลงคำสัตว์เป็นหลักฐานคนเชื่อได้ไม่พูดลวงโล ก, ลกเยลกเยละคำสอเสียดเว้นจากคำสอเสียดฟังคำข้างหนึ่งก็ไปบอกข้างหนึ่งละ เพื่อจะทำลายข้ามนี้หรือฟังอย่ากข้างโน้นก็ไปบอกข้ามนี้เพื่อทำลายข้างโน้นสมานคนที่แตกเล้ากันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพียงกันบ้างชอบคนผู้พร้อมเพียงกันบ้างดิีดีมนคนผู้พร้อมเพียงกันเพื่อเพื่อในคนผู้พร้อมเพียงากาวไปคำที่ทำให้คนพร้อมเพียงกันอันนี้ก็ไปสม า, ถถ า, มสสาธิโดยศึกษาดครับถ้าเห็นเขาจะแตกกันตรงไหนก็ไปสมาธิฉันทำได้ไหมไปภาคใายเวลาคนทะร้องกันไมเป็น ไอ้พวกไอ้คนก็ดีเว้นภาพเดียวละคาหยาดด้วยนะแล้วก็กล่าวแต่คําที่ไม่มีโทษเพราะหูช่วใ้รักจัาใจเป็นของชาวบ้านอนคนส่วนมากใร่พอใจแล้วละความเพื่อนเจอพูดมีหลักมีฐานเว้นขาดับา เพื่อจะคาปูธกรรมฉันหนเดียวเว้นจากการฉันในราตีเว้นจากการฉันในเวลาวิการคําว่าฉันหนเดียวเนี่นะเออต้องเข้าใจคําว่าฉันหนเดียวน เ, เนี่ยเอกภพเนี่ยไม่ใช่เป็นไม่ไม่ใช่ฉันหนะ้าอาสนะเดียวถ้าอาสนะเดียวนี่เป็นทุดองอยู่ข้อ ผู้ดงข้อนี้ค่ะว่าท่าลุกจากอาสนะนี้แล้วจะไม่จะไม่อยู่ของแตกอันนั้นก็เรียกว่าเป็นการสมาทานแต่คนโดยส่วนมากไปเข้าใจว่าพาฉันตอนเช้าอย่างเดียวหรือฉันตอนวันอย่างเดียวไม่ใช่นี่คือเป็นการกันด้วยอยู่อันนั้นไม่เรียกถ้าฉันมือเดียวเดียวจะฉันสิขนก็ได้ยี่สิขนก็ได้กอดเพนเนี่ยเรียกว่าเจตพัดเรียกว่ามื่อเดียวใช่ไหม ให้เข้าใจอย่างนั้นเลยแต่ก่อนเข้าใจแบบไงขี้บทำเดียวก็พอเลยอ๋อนั่นจะฉันกี่ครั้งก็ได้นะแต่ต้องพายคือดูแต่ไม่ใช่ชอบเคลื่อนจะใช่อีกแต่นี่เขาพูดเพื่ออธิบายฟังถ้องอาเอกสารเขาบอกว่าจะฉันต้องติดนก็ได้กันฟังนะ ก็อย <southwest> ja, well, so ู่ในเจจับไว้เป็นการกันแต่ถ้าหากว่าฉันนะอาสนะเดียวนั้นเป็นธุดงไม่ใช่สื่เป็นธุดงอันนั้นจะสมาทานพาที่ท่านต้องการเข่งแท้มาไปตัวนั้นท่านจะสมาทานตรงนี้เวลาศึกษาคาสอนกันไม่ดีก็ก็อธิบายครับอกพระวิญว่า แล้วก็เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประครบดนตรีดูการละเล่นนั้นเป็นค่าสุแกตุสุลเว้นขาดแล้วก็เว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหมอม เครื่องปัดระทองผิวอันเป็นฐานในการแต่งตัวอันนี้โดเว้เว้นขาดจากการนอนในที่นอนทันสูงและใหญ่เว้นขาดจากการรับเืินเลทอแล้วก็เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบคืออะไรทัญญาต่านจแบบากบัวขาวเปลี่ยนดิชนเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ อันนี้ก็ตรงตัวอยู่แ้เว้นขาดจากการรับสตรีและบูมารีอันนี้ห้ามโดยส่วนามากก็ไม่ได้แล้วก็เว้นขาดจากการรับไร่นาและที่ดินรับแพะแกะก็ไม่ได้ไก่สุกรช้างมาา้าลาเว้นขาดจากการประกอบธุรกจกรรมและรับใช้พระเนี่ยห้ามนักบวชเนี่ยรับใช้ขราวาเม คือ给宝宝放开生เอ้ยแต่สนมติว่าถ้าอุ้มมาอีกทีนั่นก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ผู้สนคือคือจริงๆอย่านี้ถ้าคองหอเนี่ยเขาเน้นว่าคือเป็นปัจจัยเกตดการมที่จะเป็นปัจจัยเกิดตัญหาอะไรคึ้ทีนี้ว่าถ้า ถ้าใช้เพื่อรักษาก็ถ้าอยางรู้ในในใครเป็นผู้ป่วยโรคตัวนี้ป่วยอกไวยอะไรป่อะคื อ, ค, อคือตรงนี้เท่าที่เท่าที่ใช้เท่าที่เขานั่นกันก็ก็ไม่เห็นเน้ตรงนี้ก็ยใช้กันใช้ได้ไปเห็นว่เขาเป็ระบ การซื้อการขายเว้นขาดจากการโกงโดยการช่างเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงการตระกแรงเว้นขาดจากการฆ่าการจองจําพิษตัวนั้นเป็นผู้สั่นโดดดีวอนเป็นเครื่องบริหารกายในการปินระบาดเป็นเครื่องบริหารท้องจะไปดางพิษใดๆก็ถือไปได้เองเหมือนนกมีตีจะบินไปด้นอากาศทพิษใดๆก็มีจิตของตัวเองเป็นพระ ราบินไปฉันใดทิศสูตรฉันนั้นสันโดษจีวรนั้นเคื่อบริหารกายดินบาบเป็นเครื่องบริหารทองเธอจะไปทางทิศภาคใดใดก็ถือไปได้ที่ส่วนประกอบไปด้วยสิรขันนันเบนายะเช่นนี้ย่อมจะเวสุกันไม่มีโทษในไทยใดที่ส่วนนั้นเห็นรูปด้ยจักสูรแล้วไม่ถือนิมินไม่ถือนุยพ ย, ยัญชนะนี่ก็เป็นเวลาลำดับเนี้นะอันจะเป็นเหตุให้เกิดอกุตนธรรมารา ม, ามง์อภิชานละตัมนัสครอบงามนั้นชื่อรักษาจักขุมสี เชื่อว่าถึงความสมรวมในจับขุนศีได้ยินเสียงได้โสตาดมกลิน่นได้คาราลิ้มลัดได้ลิ้นถูกต้องในผลธรรมะได้การรู้แจ้งตามอารมณ์ด้วยใจไม่ถือนิมิตไม่ถือโนบยานธนาปฏิบัติเพื่อสมรวมมณีศีเมื่อไม่สมรวมแล้วจะเป็นเหตให้ออกุศลธรรมราภกพื่อภิชาและภรมนัครอบนําได้เชื่อว่ารักษามณีศีในสมรวมมณีศีทิกสูงนั้นกปราะไปด้วย ปินซีสังวรเป็นอิยาสย่อมสสุดอันไม่ละคนด้วยเกิเลสในไทยในต้นแล้วก็ในการในในตรงเนี้ยต่อไปถ้าเกี่ยวไปในเรื่องของการจับรวมอินทรีเจริญสัมปชัญญะเป็นต้นเป็นไ ป, น ป, น ป, น ป, นปนตามลาดับทีนี้ถ้าไปตรงนี้ก็ถือว่า ที่พรกพุจธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราพิสูจน์ผู้บินฑ บ, บาเตเป็นวัดที่มีปกติอยู่ในชน บ, บทเช่เเนเดิมพิสูจน์สาสีนี้ได้พวกแล้วจะยังพระศาสนาอันตระทานเธอยังไม่ได้พวกควงแล้วพวกเราจะปวดเรื่อนเธอคือตรงนี้ภ <c oughs> าในสมัยก่อนก็คิดกันว่าถ้าเกิดมีท่าที่มีทิฏฐิอลาโ ม, มเกิดขึ้นทําไมก็าถึงไม่แก้ไข เบอกว่าท้าเหล่าเนี้ยถ้าที่มีที่ถี่ชั่วทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดไปได้พวกแล้วเนี่ยถ้ากําลังของพวกมันหนาแน่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะแค่หายยากเหมือนเหมือนหลายประเี้ที่มีพิสูจน์ผิเพี้ยนคาสอนเนี่ยประเทศไทยด้วยเนี่ยทีนี้ก็แก้ยากเขายังว่า ทีนี้พอมีพิกษุเหล่านี้มีพวกมากพิกษุที่าทรงพระธรรมที่ไหนมีพวกน้ยต้องหนีแล้วทีนี้ต้องหลบแล้วสมัยก่อนเขาป้องกันไงถ้าเขาเห็นอย่างนี้เบิดเส็จแล้วทสมัยพระเจ้าเหนี่ยโอ้ถ้าเกิดมีหนึ่งกกรูปเขารีกจัด ก, การแล้วมันก็หมดใจการก็หมดทีนี้มาสมัยหลังๆเนี่ยมันมีอยู่อยู่ยสูตรหนึ่งใช่ไหมที่ใน เขมะวัตสูเนี่ยที่ว่าสาติคิริยและก็เขมะวัตยันเนี่ยอันนี้มาจากภิกษุสองรูปที่ไม่ว่าเก่าวภิกษุที่ประพืติผิดที่สมัยก่อนเนี่ยในพงก่อนนั้นท่านเป็นภิกษุที่ทรงวนัวนวิเนยเป็นประเะระปกครองภิกษุทั้งห้าร้อย ทีนี้อยู่ต่อมาก็เกิด ม, มีมีพระที่ประพฤติไม่ชอบด้วยพระธรรมนินายขึ้นมาพอมีพระที่ประพฤติไม่ชอบด้วยพระธรรมนินายขึ้นมาเนี่ยนะมีพระสองลูปไอ้พระองค์ที่ประพฤติไม่ชอบเนี่ยก็เลยเข้าหาอาจารย์พอเข้าหาอาจารย์ก็เอาราศกาละได้อาหารบินาบาตดีๆได้จีวรดีๆด่างออกมาถวายอาจารย์แล้วก็บอกว่าเฮ้ยแผมได้กระทำอะไรมันไม่ถูกไม่ควรไปเนี่ย การมีการใส่สวนอะไรขึ้นมาท่านอาจารย์ช่วยกะบบมด้วยเพราะนายปกครอมาเงี้ยนะทีนี้ต่อมาก็พระลูกนี้ก็ทะเลาะกับพระที่เป็นธรรมวาทีอยู่แล้วพอท ะ, ละทเลาะกันเด็ดเสร็จฝ่ายพาะธรรมวาทีก็ก็อบอกว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปแจ้งให้อาจารย์ก็เลยเชิญที่ก็เลยไปพอไปบอกแกอาจารย์อาจารย์ก็ไม่กล้าตัดสินอาจารย์ก็เลยกลายเป็นผูน้นี้ทีนี้พออาจารย์นี่ ก็เลยไปบอกกับลูกศิษย์ทั้งห้าร้อยใช่ไหมที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่เป็นพระเถระที่ทรงพระวินัยเนี่ยลูกศิษย์คนนี้อาจารย์เรายังนิ่งเลยอย่างนั้นเลยเราก็นิ่งดีกว่าเพราะงั้นนะก็เลยพากันนิ่งหมดเลยตรเนี้ยก็ไม่น่นแกก็ร้องไห้เลยพระที่เป็นพิษพิดตุกข์ิีบอกพระศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยโดนพระเถระเหล่านี้ทําให้วิบัติทําให้เสียหายก็ร้องไห้ออกใจแบบทัก ที่เป็นพระพิสมพระธรรมท่านก็กินแหนกแก่ใจเออท่านน่าจะตัดสินแต่ท่านไม่ตัดสินก็เห็นว่ามันผิดแต่ท่านเฉยอะไม่ตัดสินขนาดนี้ก็เป็นความผิดของท่านนะพอท่านตายท่านก็เลยเกิดเป็นยักษ์เน<ม>ื้อเป็นเหมาว่าแตยักษ์ท่านหนึ่งก็เป็นสาตาคีริยักษ์ท่านหนึ่งส่วนบริวารพิตรามอาจารย์ก็เลยกลายเป็นยักษ์บริวารเนะี่ย เป็นยักษ์บริวารเลยเด็กนะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าของเราหวัว่อันนี้ในศาสนาพระเจ้าอก่อนด้วยนะมาถึงศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปจุบันเนี่ยยักษ์สองตอนนี้ก็อ่อใช่ไหมสองตอนสองตอนเนี่ยยักษ์สองตอนเนี่ยพอห่อมาพอห่อมาก็คุยกันนี่ก็เห็นแสงสว่างวันที่พระพุทธเจ้าสแสดงธรรมจากรกับพะสูเทก็เลยเชิญชวนกันไปฟังธรรมเอะ แล้วต่อมาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยลตอนนี้อยาดูถูกเลยนะสาตากริยาก็แล้วก็เห็นมาว่าแต่ออตยักษ์นี่ยเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นพระอริยะไปแล้วตอนข้ามที่ไปเจอกันเนี่ยน้ำร้องไห้เลยหรืู้บ้าเราฟ้องไปคบคนชั่วคนเดียวแท้ๆสถานะเราเลยกลายเป็นแค่ยักษ์เลย อุตสาบลงเพนคดลงเพนใช่ไหงเพวินัยรักษาสินตัวเองอ่นี้พาะไม่ยอมตัดสินเนี่ยเห็นคนทาผิดแล้วเนี่ยตัวเองมีหน้าที่แล้วไปเฉยอ่ะไม่ได้น้ำนี่ยตาโลกใจมีหน้าที่ตัดสินแล้วไปเฉยเนี่ยโน่ากลัวยังพูดพดให้น่ากลนี่ก็เป็นเหเนีย คะะอาจารย์วัดกลุ death, ่มนี้ท okay. e ่านเพงบอกว่าเออท่านสาตากิสูแต่สาตีพิคุลโดยถ้าได้พวกมากก็จะเกิดเสียหายกับพระสัมมาท่านคิดอย่างนี้อย่างนั้นเลยเปื้อนขึ้นขึ้นที่ออกให้ได้ถ้าเปื้อนไม่ได้โดยพระพุทธเจ้าพระเจ้าเรียกมาก็ก็ทำพระพุทธเจ้าถามมาดูก่อนสาตีเธอกล่าวหาหมายเอาวิญญาณใดวิญญาณนั้นเป็นอย่างไร สารติภิกษุ ก, einmal, ก, ก็บอกกล่าวตัวค่าแต่พระองค์ควรเจริญสภาวะได้ย่อมพูดได้ย่อมสวยได้สภาวะนั้นย่อมเสมอุบากของกุศลกรรมอกุศลกรรมในที่นั้นๆได้ข้าพระองค์กล่าวหมายถึงวิญ ญ, ญาณอันใดข้าพระองค์นี้เป็นวิญญาณอย่างนี้เลยก็อันนี้หมายความว่าเลยก็หมายความบอกว่าหมายความบอกว่า สภาวะใดย่อมพูดได้ย่อมสวยใลมได้ก็สภาวะนั้นย่อมสวยวิบากของกุศลและอกุศลในในที่นั้นๆได้ค่าพระองค์หมายถึงวิญญาณใดข้าแต่พระองค์นี้เป็นวิญญาณนะคือว่าสาธิตภิกษุมีความคิดว่าพระศาสาดาตักเรียกเราเนี่ยคิดจริงๆเนี่ยนะบอกว่าเออพระพุทธเจ้าเรียกเรา โมฆะบุรุษ ด, ดังเนี้ยจะไม่มีอุปนิสัยแห่งมากรรคผลทั้งหลายในสัตว์แต่ว่าคาที่กล่าวแล้วว่าโมฆะบูรุษเท่านั้นก็ทำไม่ได้เพราะว่าพระอุปเสนนะเทล่พระพุทธเจ้าประทัดว่าทุกโมฆะบุรุษเหมือนกันเพื่อความไม่ผู้มรรคเร็วนักดังนี้ท้ายหลังเนี่ยพยายามอยู่ก็ได้บรรลุภารพินยาหุเป็นต้นให้เกิดขึ้นก็จะทําให้แจ่มมรรคเพราพระพุทธเจ้าเนี่ย เมื่อจะแสดงแก่พิสูสาติว่ามีบัจจัยข่าวแล้วก็ามหมายความบอกว่ามันต่างกันคือพิกสูที่เป็นสาธิตพิคุเนี่ยนะกล่าวคําสอนเนี่ยของพระพุทธเจ้าแล้วก็อ้างว่าแสดงในรู้ทั่วถึงธรรมของพุทธเจ้าแล้วก็ไปกล่าววิญญาณเนี่ยว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นต้นเหล่านี้นะก็เป็นสภาวะเป็นกษัตริย์เป็นราเป็นแพทย์เป็นสู่เป็นเครืรับเป็นบรรพชิตเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ทั้งหลายคนใดคนหนึ่งเป็นต้นเหล่าเนี้ย คือไปกล่าวสภาวะของวิญญาณกับบัญญัติมันค้าเข้ากันอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็กล่าวถึงการที่ว่าเป็นสภาวะที่พูดได้เป็นต้นลมก็เลยบอกว่าแท้ที่จริงสาตุพิกสูรมีปัจจัยอันขาดแล้วเป็นผู้มีธรรมอันไม่งอกงามในพระศาสนาก็เลยบอกว่าจริงเรียกว่าโมฆคุณก็หมายถึงว่าอพิสูรพวกนี้ถ้าไม่มีอุปนิสัยแห่การที่จะแทงตลอดมากผล บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมมันเป็นอุปนิสัยเองมากและผลทั้งหลายของเราไม่มีเมื่อธรรมมันเป็นอุปนิสัยไม่มีเราอาจกพื่อแก้ไขธรรมมันเป็นอุปนิสัยได้หรือเพราะว่าพระธรรคดทั้งหลายย่อมไม่สแสดงธรรมแก่บุคคลผู้มีอุปนิสัยเท่านั้นแสดงอยู่กับใครนั่นแหละเราได้วาดพระสุคตจากพระสัมักพุทธเจ้าและจากธรรมภูศลเพื่อสวรรคสมบัติคำนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าแก่สาวากว่าความโมขะวุรุณ เราไม่ให้อวาดหรืออนุสาสนีแก่เธอดังนี้เพื่อจะทรงระงับอวาดของพระตุกธเจ้าที่เริ่มเทศนาอย่างนี้เองอย่าว่าแต่มักผลเลยสวรรค์ก็ไม่ได้สวรรค์ก็ไม่ได้ฉะนั้นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ต้องอะไรนะอย่างที่แค่ว่าทั้งทั้งที่ไม่ได้ไปชี้ผิดถูลไปถูลไหมแต่เพียงนิ่ง มีหน้าที่ในการที่จะําระตัดสินแต่นี่ไม่พูดอันนี้ยังไม่ได้อัตภาพมนุษย์เลยยังได้เป็นได้เป็นยักษ์เป็นยักษราชาแต่แต่นี่บุญเรียมไม่เป็นยักษราชาเป็นราชาของยักษใช่ไหมถ้าเป็นยักษแล้วเป็นล้วเอาไหมโอ้ยเอาใช่ไหมคอยได้เป็นล้วใช่ไหม มอมหมดเวลามีใครจะมีใครจะถามปัญหาอะเรเก็เป็นนั้นว่าก็เดี๋ยวต่อไปก็จะหยุดสักพักก็จะหยุดหยุดสอนนัก็เอาไว้มีโอกาสก็กค่อยว่ากันที่แรกก็พยายามจะ จะให้จบเหมือนกันนะแต่ก็ยังเดี๋ยวมาโนกาณาอย่งเดียวั่ไดน